ร้อยสี่สสามมาจากกบปวัตนสุดเหวเมสุตังคาบเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนิวาเอกังสมัยยังวะควาปารานสียังเวหาติอิสิปตะเนมิคาทาย สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนารมรุกษทยาวันใกลพระนครพาราณสีตราตโคภะควาปัญจวัคคีภิคุอามันเดสี นาดีนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทีเรียกพิสุปันจจวะทีมาแล้วตรัสว่า ทาเวเมวิกาะเวอันดาดูก่อนพิสุจทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ป่าภายกิเตนานาเสวิตาภาพเป็นสิ่งที่บันพระชิตไม่ควรคล้องแวะเลยโยจายังกะเมสุกะมาสุขันลิกานุโยโคคือการประกอบ ตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกรรมทั้งหลายอิโนโเป็นของต่ำาสามคัมโมเป็นเรื่องของชาวบ้านโวทุชนิโกเป็นของชนชั้นประุชนอานาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้า อาณาธาสัิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี่อย่างหนึ่งโยจายังอัตากิรัมธานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบตนตให้ลำบากทุโคเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุก อานาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอาณาตสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเพเตเตวิกาเวอุโภอันเตอนุภาคัมมัชชิมาปฏิปทา ดูก่อนเพียงสุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนี้มีอยู่กาทาตะเ ต, <า>ตนะอภิสมุทธาข้อปฏิบัติที่ตระาก็ได้ตรัสรู้พร้อมเจาพาะแล้วจากกุกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจากสู ยานการณีเป็นเครื่องกระทำไม่เกิดยานโอปัสมายา<อ>เพื่อความสงบพิญญยายา<อ>เพื่อความรู้เยิง<อ>สัมโธายาเพื่อความรู้พร้อมนิพานาาสังวตติ<อ>เป็นเพื่อ พานิภันกตาตมะจะสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายขอปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเรา อายเมวะอริโยะทังคิโกมะโขมข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือห mm hmm. นทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้เอง mm hmm. อายังโคสาพิกะเวมัชิมาปฏิปทา ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายนี้แหละคือข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางตถาคตเตนะอวิสัมพุท ธ, ธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วใช้ปฏิทามได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโธการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายโมความภาเพียนชอบ สัมมาสติความ ร, รึกชอบสัมมาสมาทิความตั้งมั่นใจชอบ mm hmm. อายังโคสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาดูก่อนพิษุท์ั้งหลายนี่แหละคือก้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง ตถาคตนาภิสัมพุธทธาเป็นกบฏิบาติตถาคด้ตรัสรู้พร้อมจะพอแลว้ว<า>จากูการณี <c oughs> เป็นเครื่องกระทำให้เกิดจากสูุยานการณี <c oughs> เป็นเครื่องกระทำให้เกิดยาน อุปัสมายาเพื่อความสงบอภิญญาญาเพื่อความรู้เย็ง สัมพทายาเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายาสังวัตเตียเป็นไปพร้อมเพื่อพระนิพพานอิทังโกปนาพิกกเวทุขังอริยสัจจางดูก่อนพิสุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่ ชาติปิทุขามามเกิดเป็นเป็นทวงชาลาปิตุขาความแก่ก็เป็นทวงบารน้ำปิตุขามความตายก็เป็นทวโสก่ปริเทวาตุกะตัมนัสุปายาซาปิตุขา แม่ความโศความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแยนใจก็เป็นทั่วอาเปเยิ้สัมปโยโคทุโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทั่ว มีเยยิวิปโยโคตุโคความ ร, รักจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุยพยามีชั่งนราพติทำปีทุก้ามมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุพ สังกิตณัญจุปาทานากันธาทุกขาว่าโดยอาุปาทานขันทั้งอาเป็นตัวท่วอีทังโคปนาพิกาเวทุกัสสมุทัยโยอริยสัจจังดูก่อนพิสูทั้งหลายก็อริยสัจคือเ ห, นหนุนห้เกิดทุกนี้มีอยู่ ยาอย่างตัณหานี่คือตัณหาโปโนภวิการัานเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกดันที่ราคะาสหกตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน ตราตราตราตราพินันทีนีเป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นันนันไสยทิตังได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็น วิภาวันนาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นกี่ทางโคปานาพิกเวทุกานิโรธออิยสัจจังดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ความดับไม่เรือแห่งทุกนี้มีอยู่โยตัสายาทันหายาเซสวิราคานิโรธ คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่เหลือของกันห า, านั้นนั่นเองจาโคเป็นความสระทิง้งปฏินิสโคเป็นความสระคืนมูติเป็นความปล่อยวางอาณาระโยเป็นการทำให้ไม่มีที่อาศัยซึ่งกันหา น, านั้น ที่ตังโอปนาภิกาเวทุกานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังรู้ก่อนพิสูุทั้งหลายก็อริยสัจคือก็ปฏิปัติที่ทาสั์ในรู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่ กายเมวาอริโยะทังกิโกมะคอนนี้คือก่อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสรินประก่อไปด้วยองค์แปดประการนี้ทังดุขังอริยสัจันติเมพิคเวบุเภอนันุสุเตสุตัมเมสุจากุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิฏ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 แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนว่าทุกในอริยสัจเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปานิดังดูกังอริยสัจจังปรินญายันติ ว่าทุกในอริยสัจนั่นแหลเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้ด้ดังนี oh ้ตังโกปานิดังดูกังอริยสัจยังปรินญาทันติว่าทุกในอริยสัจนั le, ่นแหลเรากําหนดรู้ได้แล้วดังนี้ อีทางดูกาสมุทยโยอริยสัจันติเมผิกาเวบุเฟีอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักุงุฏาปาทิญาณุฏาปาทิปัญญาอุฏาปาทิวิชญาุฏาปาทิอาโลโกุฏาปาติดูก่อนพิสุทั้งหลายจากสู่เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาน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 ทังโกบาลิตังทุกัสโมทยโยอริรยัสัจจังปะหาตาพันตีว่าเหตุให้เกิดทุกข์ในอริรยัสัตนั้นแหลเป็นสิ่งที่ควรราษีอันดังนี้ทังโปบาลิตังดุกัสโมทยโยอริรยัสัจจังปะินันตี ว่าเหตุให้เกิดทุกในอริยสัจนั้นแหลเราระได้แล้วดังนี้ อีตังทุกะนิโรธะอริยสัจจันติเมภิกขเวผุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุตถาปฏิญาณุตถาปฏิปัญญาอุตถาติวิชาอุทถาติอารมโกุทถาปฏี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 ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนว่าความดับไม่เลือแห่งทุกในอริยศาสตร์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ ตังโคปนิถังดุคานิโรโตอริยสัจจงสัจจิกาตาพันตีว่าความดับไม่เรือแห่งทุกในอริยสัจนั้นแหลเป็นสิ่งที่ควรทําให้แจ้งดังนี้ตังโคปนิถังทุคานิโรโตอริยสัจจ์สัจจิกตาพันตี วาความดับไม่เลือแห่งทุกในอริยสัจนั่นแหละเราได้ทำให้แจ้งแล้วดังนี้ทิทางทุงกข์นิโรธาขามินีปฏิปทาอริยสัจันติเมพิกกเวผูเพอนานุนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุตปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชา ตภาทิอาโลโกุตภาธีดูก่อนพิสุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแกเรายานเกิดขึ้นแล้วแกเรา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 ตังโคปนิทงังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันธ์ว่าวิทีปฏิบัติทีาา่ทำสัจนัยรู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกในอริยสัจนั้นแหลเป็นสิ่งที่ควรดำให้เกิดมี ดังนี้ทังขอาณิธาทาุกานิโรธคามิเนีปฏิปทาอริยสัจจงภาวิตันดีวาวิธิปฏิปัติธรรมศ า, า, า ส, าสาในรู้ถึงความ<ำ>ดับไม่เหลือแห่งทุกในอริยสัจนั้นแหลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ ยาวาทิวันจะเมวิกาเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจสุเอวันติปริวัตตาทวตาการังยถาผูตังยานทัสนาณุวิสุทังอโหสีดูก่อนที่สุตังลายปัญญาเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริง มีปริวัฒสามมีอาการสิบสองเช่นนี้ในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราเพียงใด เนวตาวังบิคเวสเทวเกโรเกส amarake สพระมเกสสัมมาพระมณียาปชายาสเทวมนุสัยยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธพัจัญญาสิเง ดูก่อนพิสูจทั้งหลายตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญาว่า ได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมปธิยานในโรคพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในมูสากพร้อมทั้งสมณพรามพร้อมทังมมม้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ยะโตจักโคมะพิกาเวอิเมสุจัตุสุอริยสัตตสุเอวันติปริวัตังตวัสสะการยถาพุตังยานัสสนาสุวิสุทังอะโหสิดูก่อนพิสุทั้งลายก็ปัญญาเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริง มีปริวาสามมีอาการสิบสองเช่นนี้ในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดโดยดีแก่เราเมื่อใด อาทางบิเกเวสเทวเกโรเกสัมารเกสัปรหมเกสัสมาณพรามนียาปชายาสเทวมนุสัยยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงาภิสัมพุทธโอปัญญายาเสียงเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมจะพอแล ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโรคพร้อมทังเทวโรคมารโรคพรหมโรคในหมูสัตว์พร้อมทงววังสมณาะาพระพร้อมทงมัมมทงเท ว, วดาและมนุษย์ทั้งหลายยานันจปปนาเมพิกเวทัสนังอุทาปาทิม ดูก่อนพิสูนทั้งหลายก็ยานและตสนานั้นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบอายามันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้าย นาทิธานิภุณภโวตีบัดนี้ความเกิดดีย่อมไม่มีแก่เราดังนี้อิทัมโวจัภะคะวาพระภูมิมีพระภาพเจ้าได้ตรัสเทศนานี้แล้วอัตมานาปจาวะกิยาภิคุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุง มิสุปันจาวาคี<ม>ก็มีใจยินดีชื่นชนมในพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มาสมินจปนาวัยกากรณาสมิงพันยมาเนก็<ม>แลเมื่อวยากรนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่ อายะสมะโตโกนัญญาสวิรชังวิตามังธรมมจักคุงอุตตปาทีคำจาจศักดิ์สูรันปราศจากทุรีปราศจากมนทีได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุคกนัญญายังจินจิตสมุตย่าธรรมงสัพันธังนิโรธธรรมันเดีย ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งพวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดามปาวติเตจาระภควตาธรรมจักแกพุมมาเทวาสัตตมนุสเวสุงเอตัมภาควตาปารานสิยังอิสิปัตเอมิคาตาเยออนุตรงธรรมจักกังปาวติตังอปาติวัติยังสมเนนาวา พระมเนนวาเทเวนาวามารนวาพระ ม, มุนาวาเกณจิวาโรกัสมินเดียขอครันเมื่อท ร, รมาจากอันพระภูมิพระภาทเจ้าให้เป็นไปแล้วเหล่าภูมาเทวดาก็ยังเสียงให้บันลือรัน ว่านั้นจักคือธรรมไม่มีจากอื่นยิ่งกว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปรตนามฤคธายวัน กายพระนครรารณสีอันสมณะพระเท ว, วดามานรมและใครใครในโลกยังให้เป็นไปไม่ได้ดังนี้อาตาโคภควาอุทานังอุทาเนสีลำดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานว่า อญญาสิวัตถะโพกนัญโยอญญาสิวัตถะโพกนัญโยตีกนัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญกนัญญาได้รู้แล้วหนอมีตีทังอายะสมโตกนัญญาสัอญญากนัญโยตะเววนามังอาโหสีตี เพราะเหตุนี้นว่าอนยาคนทันญานี้นั่นเทียวได้มีมาแล้วแก่พระผู้มีอายุคนทันญาด้วยประการชนนี้แล